อยู่แถวเซนาก็ไปเรียนกับหลวงปู่หลอดนะเคยเข้าไปไหมนะหัดพุทธโทหัดกรรมฐานเบื้องต้นก็พุโทโธไปนะอย่างอาจารย์สนองท่านก็ชอบให้พุโทโธเดี๋ยวนี้ยังสอนพุทธโทไหอาจารย์สนองพุทธโทใช่ไห ม, มเราปรับนิดนึงแทนที่เราจะพุโทโธให้นิ่งนะเราพุโทโธแล้วเราคอยรู้ทันใจเรา พุดโธพูดโ ท, ดโทไปนะขออาจารย์สนองอยาพุดโธนานพูดเนื้อนะโนะอะไรนะพยังไม่สงบให้ดูจิตเราเออนั่นแหละนะนี่บางคนพูดโทยังไงก็ไม่สงบเนี่ยส่วนมากนะพุทโทรแล้วมันไม่ค่อยสงบจะรอให้พุโทโธสงบแล้วไปดูจิตนะไม่ได้ดูเลยชาตินึงนะงั้นเอาใหม่ลองปรับวิธีนิดนึง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 เอาตัวรอดจากอภายได้เนี <c> ่ย <oughs> เรื่องการพูดนะอย่างหนึ่งคือเรื่องการวางจิตวางจิตให้ถูกนะวางจิตให้ถูกเวลาที่เราจะทํากรรมอะไรสักอย่างนั้นถ้าเราวางจิตได้ถูกต้องเนี่ยกรรมมันจะให้ผลแตกต่างกัน <c oughs> เคยมีทหารคนหนึ่งไปถามหลวงปู่เทศาหลวง ป, ปู่ผมต้องไปลบกับประเทศเพื่อนบ้านแถววัดหลวงปู่เทศอ่ะ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 เบอร์เท่าไหร่อิสรภาพเดินสู่อิสรภาพมาจากไหนคนนี้เ อ, อจริ ง, รงๆแล้วมากับเพื่อนนะครับไงหลงมานั่งหน้าใครเขาหลอกเขา่ะเนี่ยเคยฝึกไหมไม่ได้ฝึกจริงๆนะครับคือเพื่อนมาก็เพื่อนก็พูดให้ฟังนะครับแต่ก็พยายามก็พยายามดูอยู่ครับนี่เขาใส่เสื้อนะเสื้อเขาดีนะเดินสู่อิสรภาพ